ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่17บเจบาบุญนรกสวรรค์สอนเศรษฐีบ้านนอกและหลวงปู่มั่นสอนพญานา หลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนได้ให้โอว่าธรรมเอาไว้ว่าอุบายวิธีสอนหมู่เพื่อนมาเป็นลําดับลําดับมีความรู้สึกก็ว่าเป็นที่แน่ใจก็ได้สอนเต็มภูมิของตนทั้งฝ่ายเหตุที่ได้เมืองมาอย่างไรและผลที่ปรากฏขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเลยนามาสอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่ได้ปรากฏแต่เหตุส่วนผลไม่มีแล้วนํามาสอนหมู่เพื่อน สอนทั้งเหตุที่ได้ดำเนินแต่ไม่ได้บอกว่าผลได้ปรากฏอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ครอบไว้แล้วโดยสวาคาตธรรมคือธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะรู้ชอบปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบก็เป็นเหตุให้รู้ชอบและแสดงธรรมโดยชอบจึงไม่มีอะไรจะเป็นที่ขัดข้องสําหรับผู้จะปฏิบัติตามบรรดาท่านผู้ปฏิบัติ ที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาท่านก็แน่ใจของท่านทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างไรปรากฏเป็นมาอย่างไรบ้างท่านนำมาประกาศสอนโลกแทนองค์ศาสดามีอรหันต์เป็นต้นนอกจากนั้นก็มีครูอาจารย์ซึ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติและรู้เห็นตามหลักธรรมหลักความจริงตามพระพุทธองค์ท่านนามาทรงสั่งสอนท่านก็สอนเป็นที่แน่ใจของท่านเหมือนกัน ไม่ไดสอนลูกรูปคลำาทั้งฝ่ายเหตุว่าท่านได้ดำเนิน ม, มาอย่างไรและผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรตั้งแต่เหตุตามขั้นแห่งธรรมะและภูมิของผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นจนถึงเหตุอันสูงสุดและภูมิอันสูงสุดภูมิอันสุดยอ ด, สดแสดงว่าเป็นไปโดยพร้อมมูลทั้งเหตุและผล หลวงตามหาบัวยานสัมปันโลได้เล่าชีวประวัติของท่านในพรรษาที่11อปีพุทธศักราช2487ขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่เสนาสนปลายางบ้านท่าบ่อสงครามต์ตำบลท่าบ่อสงครามอํอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมเอาไว้ว่าใครมีความจำเป็นหวังความช่วยเหลือจากกันเมื่อรดอยู่ด้วยกันก็หวังพึ่งกัน มนุษย์อยู่ด้วยกันพึ่งกันไม่ได้ย่อมไม่มีความหมายสู้สัตว์ก็ไม่ได้แม้สัตว์เดรัจฉานเขาก็ยังช่วยกันสมัยที่เราท่องเที่ยวภาวนาทุ่ดงอยู่ทางอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมตอนนั้นตามท้องทุ่งมีนกกระเรียนและนกเขียนลงหากินเป็นฝูงฝูงมีนกเขียนสองตัวกํลาลังเที่ยวหากินอยู่ตัวผู้ถูกนายพรานยิงพอตัวผู้ถูกยิง ตัวเมียก็บินร่อนไปข้างบนร่อนดูผัวตัวเองถูกปืนกำลังดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ต่อหน้าต่อตามันเสียใจเป็นอย่างยิ่งนกกระเรียนตัวเมียกินค่าตัวตายโดยดิ้นดิ่งหัวปักลงพื้นดินพอหัดตายทันทีตายตรงซากศพหัวของมันนั่นเองแม้สัตว์เดรัจฉานเขาก็ยังรักกันเขาก็ยังช่วยกันถึงขั้นสละชีวิตยอมตายไปด้วยกันนายพรานนั้นนาะ ก็ดีใจที่ได้นกเอาไปกินทั้งสองตัวมันดีใจจะได้ไปตกนรกนาศีนกสองผัเมียนั้นเขาตายด้วยความเสียใจสุดขีดถึงสละชีวิตได้เลยตัวนายพรานก็ดีใจสุดขีดว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัวป่านนี้ให้คนที่ฆ่าไปจอมอยู่ในรกนั่นแหละผู้ทําความชั่วก็มีแต่ตกตาําลงไปอย่างเดียวหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีทุกประเภทต่างๆกรรมประเภทต่างๆกันด้วย แล้วแต่ผู้ทํากรรมนั้นชอบทํากรรมอะไรมากผลก็แสดงอันนั้นมากโลกถึงจมกันมากมายก่ายกองร้อยคนจะเอาคนหนึ่งไปสวรรค์ น, นี้ก็ทั้งยากด้วยนอกนั้นจมลงนรกนรก99คนจมนรกท่านเทียบไว้ขนโคกับเขาโคถ้าเทียบว่าร้อยต่อหนึ่งก็ไม่ได้คือหนึ่งอย่างมากไปถ้าเราเทียบขนโคกับเขาโคโคตัวหนึ่งมีเขาสองเขาเขาสองเขานี้ เท่ากับคนผู้จะไปสวรรค์ส่วนคนเต็มตัวโคนั้นก็หมายถึงคนที่ยังเหลือทั้งหมดนั้นพวกนี้ลงนรกอย่างแน่นอนในเรื่องนี้พระ อ, นอนรานนทถระทูลถามพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าผู้จะไปสวรรค์ไปนรกนั้นมีจํานวนมากน้อยเพียงไรพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสตอบอย่างน่าฟังว่าอุ้ยอย่าถามเลยอานอนท์มันน่าอ่อนใจมากอ่อนใจที่จะแนะนําสั่งสอนสัตว์บโลก เพราะความต่ำสามนี้มันดึงดูดอยู่ตลอดเวลาหลับตื่นลืมตามันดูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอ่อนตัวบาปเป็นอัตโนมัติเพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรงเหมือนคลื่นในมหาสมุทรทะเลคลื่นมันใหญ่คลื่นมันใหญ่ขนาดไหนมหาสมุทรทะเลเราเอาฟังไปกั้นคลื่นมหาสมุทรทะเลมาให้มันตั้งพื่นไม่ได้นี่อํานาจของธรรมเพียงฝ่ามือเดียวเท่านั้นฝ่ามือคาสบัน ดีไม่ดีนี่แหละทาจะขัดสะบั้นสะบั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากกว่าหลวงตามหาบุวญาสัมปันโนเดินเล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าณที่อำเภอศรีสงครามในขณะที่ท่านไปทุดงนั้นมีเศรษฐีสองผัวเมียอายุราวห้าสิบปี เงินทองเขาของในสมัยนั้นเขาเรียกว่าค้าเงินหมื่นคนถ้าลงมีเงินหมื่นแล้วร่ําลือกันมากเงินล้านสมัยนี้สู้ไม่ได้สองโผล่เมียเขามีเงินเป็นหมื่นๆเวลาจะทําบุญให้ทานก็ไม่อยากทําหัวไปซื้อของไปใจตลาดถื้อตะกล้าเปล่าไปฉันใดก็ถือตะกล้าเปล่ากลับมาฉั น, นั้นคือซื้อไม่ลงตรรีถีเหนียวจะซื้ออะไรมากินก็ซื้อไม่ลงซื้อไม่ได้ความตระรีไม่ยอมให้ซื้อ แต่มีดีอันหนึ่งพอกลับมาแล้วเมียถามว่าทําไมไม่ซื้อของมาโอ้ยค่อยซื้อไม่ลงเจ้าไปซื้อเองสิไปเมียจิตไปซื้อแทนพอเมียไปซื้อซื้อมาเท่าไหร่ไม่เคยถามนะราคาเท่าไหร่อันนั้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่กินได้สบายคือเจ้าของไม่เชื่อตัวเองนี้ข้อหนึ่งที่เป็นคติอันดีแล้วอีกข้อหนึ่งวันนั้นเผอิญเราเดินกรรมาฐานไปทางนั้นเขานิมนต์เราเป็นองค์เทพ เราก็เทศให้ฟังเทศไปโดนเอาใจดาแจอย่างไงไม่รู้นะจากนั้นใจไปทําการทํางานอะไรไม่พูดทั้งวันนั่งก็ขลึมเดินก็ขลึมทําอะไรก็ขลึมไปหมดเคร่งขรึมตลอดเวลาผิดสังเกตหมู่เพื่อนจึงถามแจขึ้นมาว่าอา้าวเป็นยังไงล่ะเพื่อนแต่ก่อนก็เห็นรื่นเริงบันเทิงสนุกสนานแต่มาทําไมวันนี้ถึงเงียบเชียบตลอดเป็นอะไรได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรบ้างหรือถึงเป็นอย่างนี้ แกก็ตอบอย่างทันขวัญว่าอ๋อเรื่องความทุกข์ก็ถูกหรือความสุขก็ไม่น่าจะผิดแกว่าอย่างนี้เอา้ามันเป็นยังไงล่ะว่าให้ฟังบ้างสิเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นเพื่อน <S <S ก็เมื่อเช้านี้เราไปในงานเขาเขาทําบุญบ้านท่านมหาบัวเป็นองค์เทพท่านเทศถึงเรื่องความตรณีทีเหนียวแล้วพูดถึงเรื่องความเสียสละความตรณีทีเหนียวมันมากองอยู่กับเราหมดเลย ท่านมหาบัวท่านก็เทศว่าตายไปก็ไม่ได้อะไรเราก็พิจารณาดูตายเราเจะ อ, อะไรไปเราก็ไม่ได้อะไรตรงนี้แหละเศร้าโศกเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประโยชน์ลูกก็ไม่มีอยู่กันผัวเมียสองเท่าเท่านั้นแหละเลยเกิดความเศร้าโศกเหงาห ง, งอยแล้วพลิกใจแต่นี้ต่อไปจะไม่เป็นคนประเภทนี้อีกจะเป็นนักทาบุญให้ทานหมดก็หมดเป็นก็เป็น ตายก็ตายตรณีเราก็เคยตรนีมาแล้วความสุขก็ไม่เห็นมีเท่าไรก็เหมือนโลกโลกเขาดีๆนี่เองดีไม่ดีทุกกว่าเขาอีกเพราะเรามีสมบัติมากด้วยเราตรณีทีเหนียวมากต้องหึงหวงมากเป็นทุกกว่าโลกเขามากคราวนี้จะต้องแบ่งให้กินให้ทานให้สม่ำเสมอดังที่ท่านว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกเปลี่ยนไปคนละคนมีจะไปจตลาดก็ไปว่ไปจตลาดได้สบายเลย ทำไมแจ้พริกได้ขนาดนั้นแล้วการทำบุญให้ทานนี่จนเป็นหัวหน้าเขาเลยมีงานอะไรๆเขาต้องมาเชื้อเชิญแจหลายปีผ่านไปเราไปงานศพหลวงปู่ตือ้ออา จ, จรยธรมโมที่วัดอรัญยวิเวกบ้านขาอําเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมเราก็นึกว่าแจาตายไปห้าทวีปแล้วนะแจเข้ามาหาได้บวชเป็นพระเข้ามากราบทักว่าท่านมหาท่านจำผมได้บ้างหรือเปล่า อยมาเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าที่ผมได้ออกบวชที่ผมได้เป็นผู้เป็นคนมาก็เพราะท่านมหาอยู่ในก็ตามผมกราบท่านไม่ลืมเลยผมไม่นึกว่าผมจะได้พบท่านมหาอีกวันนี้ยังมาพบกันจนได้บุญของผมยังมีท่านมหาเป็นคนลากผมขึ้นจากม้อนรกผมเป็นผู้เป็นคนมาทุกวันนี้เพราะท่านมหาเทศอยู่ที่บ้านผมเป็นผู้เป็นคนมาตั้งแต่บัดนั้นเวลานี้ผมชื่นบานหันษาภายใน จ, ใจิตใจ การทำบุญให้ทานผมก็ไม่อัดไม่อัน้นทานเสียเต็มที่แล้วก็มาบวชเสียสละไปหมดเลยความตรนีทีเหนียวก็เคยตรณีความเสียสละก็เคยเสียสละเสียสละจนบวชผมนี่เต็มภูมิเต็มภูมิทั้งสองพอท่านเล่าเสร็จแล้วแสดงความเห็นบุญเห็นคุณกราบแล้วกราบเล่านี่ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นคติได้เป็นอย่างดีขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจําเอาไว้ หลวงตามหาบัวยานสัมปโน่ได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังเองว่าสมัยที่ท่านพักอยู่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมพอตกกลางคืนตอนสามทุ่มขณะที่ท่านกําลังเทศสอนพระรเป็นจํานวน30สบถึงสีิบรูปท่านเทศ ท, ท, ศงทรงจิตไปเห็นพญานาคอยู่เต็มฝั่งแม่น้ําสงครามเขาพาบริษัทบริวาแรแห่ขึ้นมาอยู่แน่นฝั่งเป็นทิวแถวเข้าพากันมา เพื่อฟังเทศขององค์ท่านเขาฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากเพราะใจขององค์ท่านไม่ได้เหมือนใจพวกเราจ้าสว่างไปหมดมองไปไหนเห็นหมดพอพูดอย่างนี้ก็มีวันหนึ่งท่านพระารอาจารย์ฟัานอาจาโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทโตได้เข้ามากราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์มั่นตามธรรมดาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ขององค์ท่านมากราบเยี่ยมเราจะไม่ยอมละสายตาว่า ท่านปฏิสันฐานก็รับทั้งภายนอกภายในกันอย่างไรบ้างเราจะจับให้ได้ทุกองค์ทีเดียวเพราะลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านมีเยอะอย่างท่านพระอาจารย์ฟั่นลงมาเป็นลําดับลาดาท่านพระอาจารย์อ่อนใครต่อใครที่มาท่านพระอาจารย์ฟั่นท่านมีความรูปแปลกๆต่างๆพอท่านขึ้นไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านทั้งพูดทั้งยิ้มพร้อมกราบลงท่านก็ว่าอ๋อหอมอะไรแปลกๆแต่ไม่ใช่ทูปท่านพูดแล้วก็อมยิ้มเออใช่แล้ว พราแม่ครูจานทร์มั่นท่านตอบสั้นๆเท่านั้นเราก็จับเอาคำพูดนั้นไว้ที่ว่าใช่แล้วมันใช่อะไรหนอเราก็สังเกตอยู่นานวันพอมาวันหลังพอได้โอกาสดีๆเราจึงกราบเรียนถามท่านพระจานทร์มั่นว่าที่พ่อแม่ครูจานท์พูดกับท่านพระจานทร์ฟัน่นตอนที่ท่านพระจานทร์ฟั่นขึ้นมากราบแล้วอมยิ้มยิ้มและบอกว่ามันหอมอะไรนะแปลกๆ แ, แต่ไม่ชิชทูบแล้วพ่อแม่ครูจานทร์ตอบว่าเออใช่แล้วนั้น มันหมายความว่าอย่างไรขอรับโห้พวกลุกกฐิวดามาฟังเทพเต็มไปหมดเลยคำที่ว่าหอมอะไรที่ไม่ใช่ธูปนั้นท่านฟัน่นท่านพูดถึงเรื่องลุกกฐิวดาต่างหากความหมายขององค์ท่านนั้นก็คือว่าท่านพระอาจารย์ฟั่นมาที่นี่พวกลูกกฐทวดาทั้งหลายมารอเป็นทิวแถวเต็มไปหมดเวลาท่านทั้งสองสนธนาธรรมกันพวกลุกกฐิวดาทั้งหลายก็ได้โอกาสฟังธรรมไปพร้อมด้วยในขณะนั้น หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหรือเล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าปีนั้นพรรษาที่11เราจำพรรษาที่อาเภอศรีสงครามตอนนั้นเป็นตอนที่เรากำลังออกเร่งประกอบความภาคเพียนทำกระตอบหลังเล็กๆสำหรับฉันสมองค์ส่วนที่ภาคนั้นเอาย่ามงสร้างแค่สูงจากพื้นเท่านั้นจิตวิญญาณก็แปลงอยู่จิตวิญญาณมันถึงกันมันแปลงอยู่นะเวลาประมาณตีสถึงตีสี่ เรานั่งภาวนาอยู่แล้วปรากฏถึงภาพโยมอาน้องพ่อเอาจดหมายมายื่นให้ในขณะภาวนาพอยื่นให้ปับ๊บเราก็ยังไม่ได้อ่านจดหมายความรู้มันก็รับกันทันทีว่าพ่อเสียแล้วพ่อออกจากที่ภาวนามาเล่าให้หมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันสามองค์ฟังว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่หมู่เพื่อนจดจาเอาไว้นะเมื่อคืนนี้ตอนผมนั่งภาวนาอยู่นั้นเห็นภาพนิมิตเข้ามาเห็นโยมาน้องของพ่อ เอาจดหมายมายื่นให้พอยื่นปาบทางนี้รู้รับกันทันทีว่าโยมพ่อได้ตายไปเสียแล้วจากนั้นจึงจดวันที่กันเอาไว้หลังจากนั้นเจ็ดวันจดหมายก็ส่งมาถึงเขียนบอกว่าโยมพ่อตายแล้วพ่อตายในเวลาเดียวกันกับที่เรานั่งภาวนาอยู่ตรีศพอดีตรงกับวันและเวลาที่จดไว้นั้นเราเสียดายที่พ่อเสียไม่ได้สอนพ่อเหมือนสอนแม่แม่นี้ได้สอนอัดสอนทำ เต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนนั้นเรากำลังเที่ยวทุ่งกรมาฐานอยู่งกลับบ้านมาทำบนอุทิศส่วนกุศลให้โยมพ่อแล้วนางจันดีน้องสาวของเรานี้แต่ก่อนตัวมันเท่ากําปั้นเราจำมันไม่ได้เรามาจากอุดรเดินสวนทางกับมันละซีแต่ก่อนรถก็ไม่มีใช้เดินเขาผ่านทางมาเห็นเราเขานั่งไหว้นั่งกราบเอ๊ะเด็กที่ไหนดูลักษณะเข้าทีแสดงว่า จะเข้าใจในสีในธรรมพอประมาณเราก็เลยถามว่ามันจากไหนมาจากบ้านตากและจะไปไหนจะไปอุดร อ, อยู่ที่ไหนถามซ้ำอีกทีอยู่บ้านตากเขาเคยเคลิ้มเคินนะพอถูกถามว่าอยู่บ้านไหนถามไปถามมาเราก็เลยถามว่าเป็นใครเขาก็เลยหัวเราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องสาวของเราเราถามอย่างนั้นเขาอมยิ้มอมยิ้มแล้วก็หัวเราะหืมมึงจะหัวเราะหาอะไรบอกมาสิ โอ้ยไม่ทราบจะบอกยังไงก็ถามจุดใต้ตำต่อที่กำบน้องถามกันไม่รู้กันเราไม่รู้เขาตัวเขาเท่ากําวั้นเวลาเราบวชเวลามาเจอกันเขา้าเขาก็เป็นสาวเสียแล้วอาอยุได้16ถึง17ปีละมั้งถามไปถามมาแล้วเป็นใครล่ะเขาก็ยิ่งหัวเราะเขาไม่กล้าตอบเราก็เลยเดาเอานะอีจันดีหรือตอบว่าใช่แล้วโอ้ยอีผีบ้ากูไม่รู้ว่าเป็นมึงมึงเชื่อหรือว่าเป็นน้องกูนาะ ถ้ามึงเชื่อ ว, ว่าเป็นน้องกูกูบวชเมื่อไรมึงรู้ไหมมันว่าไม่รู้แล้วมึงว่ามันเป็นน้องกูได้ยังไงก็พ่อแม่พูดอยู่ตลอดเราบวช ด, ดูอายุเขาจะประมาณสี่ขวบกระมังยังเป็นเด็กเขาไม่ทราบเรื่องเราบวชก็ถูกต้องอย่างนั้นละพี่กับน้องไม่รู้จักกันก็บวชแล้วไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับเรือนพอบวชแล้วไปเลยที่พี่น้องๆ อ, อะไรไม่เคยสนใจนะเหมือนทั่วไปในโลกนี้ไม่มีใกล้ไม่ไกล บ้านน้องๆไม่เคยเข้าไปเหยียบเลยนะเหมือนกันหมด